อานามสยามยุดว่าด้วยกองทัพสยามกรุงเทพได้ยกพลนิกายไปกระทําการศึกสงครามกันกะลาภูเขาเผาวเมืองเวียงจันทร์เป็นต้นเหตุเดิมเริ่มแรกที่จะได้ก่อการศึกสงครามกันกัะขมิญยวดต่อไปเป็นศึกใหญ่ได้กระทํามหายุทธนาการในรัช ก, กาลที่สามกรุงเทพเมื่อจุลศกราชีหนึพัน 188ปีจออัศสกดังจะได้แสดงต่อไปนี้อานามสยามยุดภาคที่หนึ่งตอนที่สิบสองพระเจ้ากรุงยวนเปิดศึกทางราชสารกับกรุงเทพฝ่ายพระเจ้าเวียดนามได้ทรงทราบว่า ที่เจ้าน้อยเมืองพวนคิดอ่านเป็นใจใช้คนไปบอกทัพไทยให้ยกกองทัพมาจับเจ้าอนุในเขตแดนเมืองพวนซึ่งเป็นราชอาณาจักรของกรุงเวียดนามนั้นก็ทรงขัดเครืองพระราชหาไทยแก่เจ้าน้อยเมืองพวนซึ่งเป็นหัวเมืองขึ้นประเทศราชของกรุงเวียดนามกรุงเวียดนามจึงทรงให้องค์ทงเจอัครมหาเสนาบดีฝ่ายเหนือ มีท้องตราบังคับหาเจ้าน้อยเมืองพวนขึ้นไปเฝ้าแล้วดำรัดสั่งให้เสนาบดีกรุงเวียดนามปรึกษาโทษเจ้าน้อยเมืองพวนจะผิดประการใดขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยปรึกษาพร้อมกันลงเนื้อความเห็นว่าเจ้าน้อยเมืองพวนเป็นเจ้าประเทศราชข้าขอบขันทเสมาอาณาจักรกรุงเวียดนามแล้ว และไม่ตั้งอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตพักดีแต่พระเจ้ากรุงเวียดนามตามที่ทรงพระกรุณาซุปเลี้ยงมานั้นกลับใจไปนับหมายให้ไทยซึ่งเป็นเมืองนอกพระราชอาณาจักรให้ยกทัพเข้ามาจับเจ้าอนุในเขตแดนเมืองพวนซึ่งเป็นอาณาจักรกรุงเวียดนามก่อการให้นานาประเทศล่วงมาดูหมินดูถูกพระเกียรติยศ กรุงเวียดนามให้เสียมเสียอำนาจพระบรารมีกรุงเวียดนามไปชั่วฟ้าและดินกับเจ้าน้อยเมืองพวนก็ขาดความเมตตาจิตคิดจักเจ้าอนุราวชาติเดียวกันทรงให้แก่ไทยชาติอันผิดด้วยการล่วงพระราชอาชญากรุงเวียดนามอย่างหนึ่งผิดด้วยขาดเมตตาจิตแก่เจ้าบ้านผ่านเมืองประเทศลาวชาติเดียวกันอย่างหนึ่ง หาควรที่จะสรงสุปเลียงไว้ไม่ขอให้ประหารชีวิตเจ้าน้อยมือควนเสียตามบทกฎหมายในแผ่นดินกรุงเวียดนามให้เป็นตัวอย่างแก่เจ้าประเทศราชลาวและยวนในพระราชาอาณาจักรกรุงเวียดนามต่อไปอย่าให้ใครทําตามเยี่ยงอย่างนี้ฝ่ายพระเจ้ากรุงเวียดนามได้ทราบคำปรึกษาเสนาบดีผู้ใหญ่ดังนั้นจึงโปรดกล่าว ให้เจ้าพนักงานนำตัวเจ้าเมืองพวนไปฆ่าเสียที่กรุงเวพระเจ้าเวียดนามทรงแต่งให้บรรชุงเวียนขุนนางฝ่ายทหารรักษาพระองค์เป็นราชทูตหนึ่งมาลาถูดินเป็นอุปทูตหนึ่งกับขุนนางล่ามพนักงานสี่นายและไพรยวนแปดสิบคนลงเรือรบทะเลเชิญพระราชสารกรุงเวียดนามเข้ามากรุงเทพ ราชทูตานุทูตยวนเข้ามาถึงกรุงเทพณนะวันเดือนสี่ขึ้นสิบค่ำเจ้าพระยาพระคังจัด ก, การรับรองราชทูตยวนตามธรรมเนียมฝ่ายสยามแต่ก่อนมาได้ให้ขุนนางพาณิชกับหมื่นพาทีไพโรล่ามยวนแปลพระราชาสานยวนเป็นภาษาไทยมีใจความว่าพระราชสารพระเจ้าเวียดนามดึกว่างเด ทรงพระปราริกรถึงการสงครามครั้งเวียงจักทรนั้นขุนนางนายทัพไทยชื่อทุ่งวิชัยฆ่ายวนตายเสีย48คนที่เมืองนครพนมปลายเหลากับขุนนางไทยนายทัพอีกพวกหนึ่งชื่อทิศชุมชุ่มกิมดองหนึ่งชื่อลงนาราหนึ่งพวกนี้ยกทัพร่วงเข้าไปเก็บสวยในเขตถูตือเขตแดนยวน ผิดด้วยอย่างทำเนียมเมืองเป็นไมตรีกันกรุงเวียดนามเห็นว่าขุนนางไทยเป็นแม่ทัพนายกองซึ่งชื่อว่าทุ่งวิชัยหนึ่งชื่อทิศชุมหนึ่งชื่อชุงกิมดองหนึ่งชื่อลงนาราหนึ่งสี่คนนี้มีความผิดมากทําการล่วงเกินอํานาจตนและดูถูกดูหมิ่นอำนาจกรุงเวียดนาม ด้วยข้อที่ดำเนินกองทัพไทยเข้าไปในเขตแดนยวนเก็บซวยสาอากรที่เมืองขึ้นแก่ยวนแล้วก็ฆ่ายวนตาย48คนในระหว่างทางราชการต่อกันนั้นหาชอบด้วยทางยุติธรรมไมตรีกันดีไหมบัดนี้ขอให้กรุงมหานครศรีอยุธยาส่งตัวทุ่งวิชัยหนึ่งทิพชุมหนึ่งชุมกิมดองหนึ่งลงนาราหนึ่ง 4ี่คนผู้มีความผิดนี้ออกไปกรุงเวียดนามจะได้ให้ขุนนางผู้ใหญ่ไล่เลียงไต่ถามํำระดูว่าจะผิดชอบประการใดจะได้บอกเข้ามาให้ไทยทราบอันหนึ่งเมืองเวียงจันน์นั้นเล่าก็เป็นเมืองประเทศสราชถวายดอกไม้เงินทองสิ่งของบรรณาการอยู่ด้วยกันทั้งสองฝ่ายคือยวนและไทยไม่ควรที่จะให้เมืองเวียงจันทร์สาบสูญเสียเลย พระเจ้ากรุงเวียดนามทรงเสียดายเมืองเวียงจันทยิ่งนักด้วยเป็นเมืองสืบเชื้อสายกษัตริย์ลาวมากกว่า 2,000 ปีก่อนกรุงไทยและญวนบัดนี้ขอให้กรุงศรีอ ย, ยุธยาทรงตั้งเจ้าเมืองเวียงจันท์ขึ้นดังเก่าจะได้มีเกียรติยศ ด, ด้วยกันทั้งไทยและยวนซึ่งเป็นพระมหานครใหญ่อุปถัมเมืองน้อยไว้ให้สืบราชปฏิบัตีโบราณนานาประเทศน้อยใหญ่ จะได้พูดสรรเสริญกรุงพระมหานครศรีอยุธยาและกรุงเวียดนามซึ่งไทยจะไม่ตั้งเมืองเวียงจันทร์ให้กลับคืนขึ้นเป็นมืองประเทศราชดังเก่าจะให้ถิ้งเสียเป็นป่าดังนั้นหาประโยชน์ไม่เลยประดุจทารกที่ไม่รู้จักเมียนสาหยิบก้อนดินและศิลาโยนขึ้นไปบนกลางอากาศแล้วตั้งตาแลดูอยู่ที่ตรงต้นศิลานั้น ก็จะพลัดตกลงมาถูกหน้าเด็กคนนั้นเองชั้นใดก็ได้แก่ไทยทำกับเวียงจันชั้นนั้นหาบาังควรไหมหมายเหตุมีข้อความยวนพูดบริภาทตัดเพอต่างๆนานามากมายหลายประการแจ้งอยู่ในพระราชสารต้นฉบับเดิมนั้นแล้วไม่ได้นำมาไว้ในฉบับนี้เพราะเห็นว่าเป็นความสำซากยืดยาวป่วยการกล่าวรกโสดผู้ฝัง เจ้าพระยาพระคังนำความตามพระราชสารยวนขึ้นทูลเกล้าวถวายแล้วจึงโปรดเกล้าให้แต่งพระราชสารตอบยวนแต่ราชทูตยวนไม่รับพระราชสารไทยไปราชทูตยวนว่าให้แต่งราชทูตไทยเชิญพระราชสารไทยออกไปตอบแทนเองจึงจะชอบด้วยราชการครั้งนั้นโปรดเกล้า ให้เจ้าพระยาพระคลังมีท้องตราไปถึงองค์เลโปเสนาบดีว่าราชการต่างประเทศฝ่ายยวนฉบับหนึ่งใจความว่าสารตราเจ้าพระยาพระคลังเสนาบดีผู้สําเร็จราชการนาน า, นาประเทศกรุงพระมหานครศรีอยุธยาปฏิบัติมายังองค์เลโปเสนาบดีผู้ว่าราชการต่างประเทศฝ่ายยวนได้ทราบว่า ซึ่งจะให้กรุงพระมหานครศรีอยุธยาจัดการแต่งตั้งเจ้าเมืองเวียงจันทร์ขึ้นใหม่นั้นเห็นว่าจะยังช้าอยู่เพราะบ้านเมืองยังกําลังระสมรสายอยู่ผู้คนสเสบียงอาหารยังไม่บริบูรณ์จึงยังตั้งไม่ได้ข้อที่ว่านายทัพนายกองฝ่ายไทยทำผิดต่อยวนนั้นไทยก็จะชําระให้เห็นผิดและชอบตามทางยุติธรรมและทางราชมตรี ก, กันกับยวน แต่ว่าบัดนี้กองทัพฝ่ายไทยยังไม่กลับลงมาหมดผู้ใดจะกระทำผิดอย่างไรยังไม่รู้แน่เป็นแต่ได้ทราบในพระราชสารยวนก่อนเท่านั้นและชื่อเสียงคนที่มีความผิดดังกล่าวมาในพระราชสานนั้นคือทุ่งวิชัยหนึ่งทิศชุมหนึ่งชุมกินดองหนึ่งลงนาราหนึ่งทั้งสี่คนนี้ฟังดูก็ผิดเพี้ยนกับชื่อไทยอยู่ ไม่รู้ว่าผู้ใดจะกระทําผิดแน่ลงได้ถ้ากองทัพไทยกลับมาพร้อมเพียงกันเมื่อใดแล้วจึงจะชำระไล่เลียงดูให้ได้ความตามที่ผู้ใดกระทําผิดแล้วก็จะทำโทษตามกฎหมายฝ่ายสยามให้แล้วจึงจะบอกออกไปให้องค์เลโปเสนาบริยวนทราบหนังสือเจ้าพระยาพระคลังประทับตาบัวกแก้วแล้วเข้าผนึกทรงให้ราชทูตยวน ราชทูตยวนรับหนังสือแล้วก็ลงเรือรบทะเลของยวนใช้ใบออกจากกรุงเทพครั้นนั้นโปรดกล้าวให้กองอาสาจามนำเรือรบไทยทางทะเลออกไปส่งราชทูตยวนจนถึงเขตเมืองสมุทรปราการเพื่อเป็นการระวังพระนครด้วยครั้นราชทูตยวนออกไปแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนำพนพร้อมด้วยความคิดท่านเสนาบดีว่า เราได้ทราบข้อความในพระราชสารยวนดังนี้ฝ่ายเราจะไม่แต่งราชทูตไทยออกไปแจ้งข้อความราชการให้เจ้าเวียดนามทราบความตามที่มีเหตุใหญ่น้อยซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างศึกสงครามนั้นก็หาสมควรกับเมืองเป็นทางไมตรีกันไม่โปรโดกล่าวให้พระยาอนุรักษ์ภูทรเป็นราชทูตหนึ่งให้หลวงพิทักษ์นาทีเป็นอุปทูตหนึ่ง ให้คุณพิพิธโภคาเป็นตรีทูตหนึ่งหมือนเทพพจนานามล่ามยวนหนึ่งคุณทิพวาจาท่องสื่อใหญ่ล่ามจีนยวนหนึ่งเป็นผู้รู้อักษรจีนยวนด้วยราชทูตานุทูตพร้อมกันจัดดอกไม้ทูบเพียนเข้าไปทูลเกล้าวถวายบังคมลาแล้วเชิญพระราชสาลครุมเครื่องราชบรรณาการออกไปโดยทรงยินดีตอบแทนพระเจ้ากรุงเวียดนามตามทางพระราชาตรี ราชทูตานุทูตหลงเรือใบออกจากกรุงเทพในเดือนสี่ปีชวดนั้นข้อความในพระราชสารครั้งนี้ก็คล้ายกับหนังสือพระเจ้าพระยาพระครังที่ส่งให้ราชทูตยวนออกไปในเดือนอ้ายปีชวดนี้เองฝ่ายราชทูตานุทูตไทยได้ไปถึงกุงเวยยวนจัดการรับรองตามธรรมเนียมแล้วได้เข้าเฝ้าถวายพระราชสารพระเจ้าเวียดนามพระเจ้าเวียดนามมีพระราชสารตอบมาฉบับหนึ่ง พระอนุรักษ์ภูธรราชทูตไทยได้เชิญพระราชสาหยวนส่งให้ขุนวิเศษวาทีล่ามจีนส่งมาเมืองจันทบุรีแล้วกรมการส่งมากรุงเทพใจความในพระราชสานยวนนั้นว่าโดยสังเกตคือยวนซ้ำกล่าวโทษทิชชุมที่ข่ายวนตายในระหว่างศึกเวียงจันทน์นั้นขอให้ผู้ครองฝ่ายไทยส่งตัวชิดชุมออกไปกรุงเว่ ทางพระราชมาตรียวนกับไทยจึงจะถาวร อ, อย่าให้ผู้ครองฝ่ายไทยเห็นแก่หน้าชิดชุมขุนนางผู้ทำผิดคิดผิดชอบให้เห็นแก่ทางไมตรียวนเทินฝ่ายเจ้าพระยาพระขังให้ล่ามแปลพระราชสารยวนแล้วนำขึ้นทูลเกล้าวถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดัมลีตามทางพระราชมาตรีโดยทำสุจริตทรงเห็นว่า โทษเจ้าอนุที่คิดขบถต่อกลุเทพแล้วหนีไปพึ่งยวนยวนกลับเห็นแก่เจ้าอนุผู้ขบฏให้ขุนนางยวนพาเจ้าอนุมาส่งยังบ้านเมืองยวนเป็นสื่อราวกับไทยจะให้ดีกันเพราะฉะนั้นไทยจึงหลงเชื่อยวนที่พาลาวมาเวียงจันทร์เจ้าอนุลาวกับใจเป็นขบทขึ้นอีกยกกองทัพเข้าล้อมฆ่าแม่ทัพไทยไร้ผที่รักษาเมืองเวียงจันท์ครั้งนั้น ตายทั้งนายและไพ่ถึงเจ็ดร้อยคนเศษเพราะเหยุที่ไทยหลงเชื่อถ้อยคำยวนไม่ใช่หรืออันหนึ่งซึ่งชิดชุมคือพระวิชิตสงครามขุนนางวังหน้าเป็นแม่ทัพปองด่านเมืองนครพนมฆ่ายวนตายสี่สิบแปดคนซึ่งมาในระหว่างการสึดสงครามไทยกับลาวยังกำลังสู้รบ ก, กันอยู่นั้นพระวิชิตสงครามมีความสงสัยเครือแคลงไม่ไว้ใจยวนสี่สิบแปดคนที่มานั้น เรียกว่าจะเป็นเช่นคราวยวนมาส่งเจ้าอนุเจ้าอนุคิดกันกันกบยวนรอบฆ่าไทยที่รักษาเมืองเวียงจันท์ตายเจ็ดร้อยคนเศษครั้งก่อนนั้นแล้วครั้งนี้พระวิชิตสงครามคิดดังนั้นเหมือนครั้งก่อนจึงได้ฆ่ายวนสี่สิแปดคนเสียเพราะความเข้าใจต่างกันซึ่งพระวิชิตสงครามทามการฆ่ายวนตายดังนั้นก็เป็นขนบธรรมเนียมของแม่ทัพนายกองด่านรักษาราชการ ศึกสงครามตามกฎหมายฝ่ายสยามพระวิชิตสงครามมีความชอบต่อราช ก, การแผ่นดินฝ่ายสยามมากจึงไม่เสียราชการแก่ค่าศึกเหมือนเช่นพระยาพิชัยสงครามนั้นซึ่งว่าพระวิชิตสงครามมีความผิดต่อกรุงเวียดนามนั้นเห็นว่าพระวิชิตสงครามมีความผิดน้อยกว่าเจ้าอนุเจ้าอนุมีความผิดต่อกรุงเทพมากกว่าพระวิชิตสงครามเสียอีกเห็นว่าโทษยวน ที่มาลวงให้ไทยตายครั้งก่อนมากกว่าโทษของพระวิชิตสงครามข้ายวนครั้งนี้เพราะฉะนั้นจึงได้ชี้แจงความผิดลาวและยวนหรือไทยมาให้ทรงทราบด้วยขอให้ทรงเห็นตามทางยุติธรรมขอยกโทษพระวิชิตสงครามเสียครั้งหนึ่งเพราะโทษหน่อยนะักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการดำหลับสั่งเจ้าพระยาพระคลัง ให้แต่งพระราชสารตอบยวนเป็นข้อความตามที่ทรงพระราชรมลิดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นแต่งพระราชสารเสร็จแล้วจึงโปรดกล่าวให้ขุนด่านเมืองเขมรส่งต่อไปถึงองค์เป็นใหญ่ที่เมืองไส้งอนจะได้ส่งขึ้นไปถวายพระเจ้าเวียดนามณกรุงเวฝ่ายพระเจ้าเวียดนามได้ทรงความในลักษณะพระราชสารกรุงเทพดังนั้นแล้วก็ทรงยิ่งขัดเคืองทวีขึ้นเป็นอันมาก จึงมีพระราชสารเข้ามากรุงเทพอีกฉบับหนึ่งจึงโปรดให้องค์เป็นใหญ่ชื่อจงเต็กเมืองไส่ง่อนแต่งขุนนางยวนฝ่ายทหารให้เชิญพระราชสารมาส่งที่เมืองจันทบุรีทูตยวนไส่ง่อนถึงเมืองจันทบุรีณนะเดือนหกปีฉลูพระยาจันทบุรีให้หลวงมหาไทยถือราชสานยวนเข้ามาส่งกรุงเทพเจ้าพระยาพระคลัง ให้หมินทิพพจนานาม่ามยวนกับขุนทองสื่อวังหน้า่ามจีนและยวนแปลพระราชสารออกเป็นภาษาไทยได้ใจความว่าพระเจ้าเวียดนามขอให้พระเจ้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยาเห็นแก่ทางพระราชเมตรีด้วยให้ช่วยลงโทษชิดชุมพระวิชิตสงครามจำตรวนตะเวนกลางตลาด ต่อหน้าราชทูตยวนให้เห็นด้วยจึงจะขนโทษพระวิชิตสงครามที่ทำผิดต่อกรุงเวียดนามเจ้าพระยาพระคลังนำข้อความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาได้ทรงทราบใต้ฝ่าลองสุลีพระบาทแล้วจึงมีพระราชาดมรัสว่าครั้นจะทำโทษพระวิชิตสงครามนี้ตามมีพระประสงค์ของพระเจ้าเวียดนามให้หายคลายที่คับแขนนั้นก็ได้แต่ว่า ทรงคิดละอายพระราชหฤงไทยแก่เสวกกามาศราชบริพานด้วยพระวิคิตสงครามหาความผิดไม่ได้ขันจะไม่ทําโทษพระวิคิตสงครามเสียบ้างทางพระราชาไมตรียวนกับไทยคงจะมัวหมองไปภายหนะ้าพระวิคิตสงครามนั้นเป็นคนเบาความไม่พิจารณาโยน48คนนั้นมาดีหรือมาร้ายหาไต่สวนสืบถามความจริงให้แน่นอนเสียก่อนไม่ นำโยนสี่สิแปดคนไปฆ่าเสียก่อนเป็นการละเมิดต่อคำสั่งเจ้าพระยาราชาสุภวรีรแม่ทัพใหญ่หมายเหตุจึงโปรดเกล้าให้ประชุมเสนาบดีว่าถ้าทำโทษพระวิชิตสงครามเสียบ้างเล็กน้อยโดยสังเขปคือจะลดฐานานุศัต์ลงจากพระให้เป็นหลวงเป็นขุนแต่พอมีเหตุที่จะได้มีพระราชสารตอบออกไปยังกรุงเวตามความที่จะต้อง พระราชประสงค์ของพระเจ้าเวียดนามนั้นเห็นพอจะแล้วเลิกกันไปได้ครั้นพระราชดำริดังนั้นแล้วจึงโปรดให้เสนาบดีแต่งท้องปราตอบออกไปฉบับหนึ่งใจความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรุงเทพพระมหานครศรีอยุธยาทรงเห็นแก่ทางพระราชามตรีกรุงเวียดนามจึงได้ให้กระทาโทษพระวิจิตรสงครามถอดออกจากที่ขุนนางผู้ใหญ่ ไม่ให้เป็นแม่ทัพนายกองแล้วราชทูตยวนได้รับหนังสือเจ้าพระยาพระคลังแล้วก็ลากลับไปไม่ช้าในปีนั้นองเลโปโสเสนาบดีมีหนังสือส่งให้ขุนนางยวนที่เมืองไส้ง่อนถือเข้ามากรุงเทพให้เจ้าพระยาพระคลังฉบับหนึ่งใจความว่าเมืองเวียงจันน์นั้นผู้ครองฝ่ายไทยจะจัดแจงแต่งตั้งเจ้าเมืองเมือเม่อใดเล่า ขอให้มีหนังสือกำหนดออกไปพระเจ้าเวียดนามจะได้แต่งขุนนางยวนเข้ามาตั้งเจ้าเมืองเวียงจันทร์พร้อมด้วยการจัดขุนนางไทยแล้วเจ้าพระยาพระทังนำข้อความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาแล้วโปรดกล่าวให้มีท้องตาตอบยวนฉบับหนึ่งใจความว่าบัดนี้ที่เมืองเวียงจันทร์นั้นยังหามีสเสบียงอาหารไม่อีกประการหนึ่งไพร่พลยังระสำมระสาย จะควบคุมเข้ากันนั้นยากนักการที่จะตั้งเจ้าเมืองเวียงจันนั้นยังตั้งไม่ได้ข้อความนี้เจ้าพระยาพระครังตอบให้ขุนนางยวนรับไปไม่ชา้าองค์ยวนเมืองไส่งอนถือหนังสือองค์เลโ ป, โปเสนาบดีกรุงเวเข้ามากรุงเทพให้เจ้าพระยาพระคลังฉบับหนึ่งใจความว่าเมืองเวียงจันนั้นผู้ครองฝ่ายไทย ได้แต่งตั้งเจ้าเมืองเวียงจันทร์ถึงสามเจ้าเมืองมาแล้วก็ไม่ได้บอกไปให้ผู้ครองฝ่ายยวนแต่งขุนนางมาตั้งเจ้าเมืองด้วยสักครั้งหนึ่งครั้งนี้จะตั้งเมื่อใดให้บอกไปยังกรุงเวโดยเร็วจะได้ใช้ให้ขุนนางยวนมาตั้งด้วยพร้อมกับขุนนางไทยเจ้าพระยาพระคลังนำข้อความขึ้นกราบบังคมทูลทราบแล้วทรงพระกรุณาโปรดกล้าพระราชทานกระแสรพระราชนิ ให้มีท้องปราตอบยวนว่าดังนี้เมืองเวียงจันเป็นเมืองประเทศราชขึ้นเป็นศิษฐ์ขาด ข, ของผู้ครองฝ่ายไทยโปรดกล่าวให้เจ้าอนุมีอำนาจมากใหญ่โตเพราะจะระงับปราบปราม บ, บ้านเมืองลาวปลายเขตแดนไทยกับยวนที่ใกล้เคียงติดต่อกันไม่ให้ล้ําเหลือกันเพราะฉะนั้นเมืองเวียงจันจึงได้เป็นทวีตของผู้ครองฝ่ายไทยฝ่ายไทยได้บํารุงมาแต่เดิม หลายชั่วอายุคนมาช้านานแล้วเมืองเวียงจันทร์ตกอยู่ในใต้อำนาจไทยแท้ๆเมืองเวียงจันทร์ไม่เคยมีการอันใดเกี่ยวข้องกับยวนยวนจะมาถือเป็นธุระตั้งแต่งเจ้าบ้านผ่านเมืองด้วยดังนั้นผิดอย่างทำเนียมไปการเดิมก็ดีหรือการขังเจ้าหนุนนี้ก็ดีมีอยู่ดังนี้คือแต่เดิมนั้นความคิดเจ้านุเห็นว่าบ้านเมืองเวียงจันท์นั้นติดต่อกันกับเขตแดนยวน ยวนกับลาวไปมาค้าขายกันอยู่เนืองๆเจ้าอนุจึงได้กราบบังคมทูลพระกรุณาว่าจะขอให้ไทยได้อนุญาตให้เจ้าอนุแต่งทูตลาวให้ทูตลาวคุมสิ่งของขายเครื่องบรรณาการไปคำนับพระเจ้าเวียดนามสามปีครั้งหนึ่งแต่พอจะได้เป็นท่าทางของลาวไปมาค้าขายกับไท่บ้านพลเมืองยวนผู้ครองฝ่ายไทยสงพระราชสมริยเห็นว่าความคิดเจ้าอนุนั้น เป็นการทำนุบำรุงอาณาประชาราษฎร์ลาวซึ่งเป็นไร้ฝาค่าแผ่นดินอยู่ในปลายพระราชอาณาเขตจึงทรงเห็นชอบด้วยความคิดเจ้าอนุนั้นจึงโปรดกล่าวพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามใจเจ้าอนุเถิดจะแต่งขุนนางลาวคุมเครื่องบรรณาการไปจิ้มป้องกรุงเ ว, เวียดนามนั้นไม่ทรงรังเกียจว่ากรุงเวียดนามจะเกียดกันเอาปลายเขตแดนลาวเสียบ้าง เพราะด้วยทางพระราชนิตรีกรุงเทพกับกรุงเวียดนามมีมาช้านานแล้วเป็นที่ไว้พระราชาไทยดุดดังพระญาพระวงศ์อันสริริเพราะยวนกับไทยได้คุ้นเคยรักกันมาช้านานแล้วเพราะฉะนั้นจึงได้ทรงอนุญาตให้เจ้าอนุแต่งขุนนางลาวขึ้นไปจิ้มกล้องกับยวนยวนจะมาพาโลทึกเอาเมืองเวียงจันทร์ว่าเป็นเมืองขึ้นของยวนหรือเมืองสวยของยวนนั้นไม่ได้เลยเป็นอันขาด ถึงแต่ก่อนยวนก็ไม่เคยมาช่วยจัดแจงแต่งตั้งเจ้าบ้านผ่านเมืองเวียงจันท์สักครั้งหนึ่งก็ไม่เคยมีเลยแต่ครั้งนี้ผู้ครองฝ่ายยวนมีหนังสือบังคับบัญชาเข้ามาถึงผู้ครองฝ่ายไทยว่าให้เร่งบอกกําหนดการซึ่งจะตั้งเจ้าเมืองเวียงจันทร์ใหม่ออกไปโดยเร็วนั้นเหนือความข้อนี้ผู้ครองฝ่ายไทยเห็นว่ายวนประพฤติผิดทางพระราชามตรีกันอันหนึ่งหัวเมืองลาว ที่เป็นเมืองขึ้นกับเมืองเวียงจันทร์แต่ว่าอยู่ในพระราชณาจักรกรุงสยามนั้นบัดนี้ผู้ครองฝ่ายยวนก็เกียติกันปกครองไว้ในอำนาจยวนยวนก็ถือว่าเป็นเขตแดนของยวนหลายบ้านหลายเมืองแล้วผู้ครองฝ่ายยวนทําดังนี้แก่ไทยหลายครั้งหลายหนแล้วฝ่ายผู้ครองฝ่ายไทยมีความอาลัยระลึกถึงทางพระราชเมตตรีซึ่งมีมาแต่การก่อน จึงสื่ออดออมถนอมทางพระราชนิตรีอันสนิทกันมาช้านานมีให้เสี่ยมเสียมัวหมองไปปรารถนาจะให้ไมตรีอยู่ถาวรวัฒนาไปช่วงกัละปะวะสานแต่ผู้ครองฝ่ายยวนก่อเหตุกับไทยก่อนให้ยวนคิดดูเถิดในการหลังๆมานั้นให้ตรองให้ดีๆก็จะเห็นคุณและโทษบ้างข้อความตามท้องตรานี้ได้มอบให้ขุนนางยวนรับไป ครันอยู่มาไม่ชา้าขุนนางยวนเมืองไส้ง่อนถือหนังสือองค์เลโปเสนาบดีกรุงเวมาถึงเมืองเวียงจันท์ส่งให้เจ้าพระยาพระคลังฉบับหนึ่งมืนเทพวาจาแปลออกได้ความว่าตั้งแต่นี้สืบไปเมื่อหน้าถ้าพระเจ้าเวียดนามจะมีพระราชสารเข้ามากรุงเทพพระมหานครศรีอยุธยาเมื่อใดจะใช้อักษร อ, ออกพระนามพระเจ้าเวียดนามว่าดังนี้ สมเด็จพระเจ้าเวียดนามดึกวางเดเป็นต้นพระนามแล้วยึงจะมีข้อความตามราชองการต่อไปถ้ากรุงพระมหานครเสีอยอโยธยาจะใช้ทูตเชิญพระราชสารออกไปกรุงเวขอให้มีลักษณะพระราชสารดังนี้พระราชสารเสียมเล่าดึกพักทเวียงถวายคำนับมายัางสมเด็จพระเจ้าเวียดนามดึกว่างเดเป็นพระราชสารไทยดังนี้ เมื่อได้ทราบใต้ฝ่าละองธุรีพะบาทแล้วจึงมีพระราชดำรัสว่าองค์เลโปเสนาบริยวนมีหนังสือมาถึงเจ้าพระยาพระคลังนั้นเป็นการยกย่องพระเกียรติยศพระนามเป็นภาษายวนลงในพระราชสารตามที่หนังสือองค์เลโปเสนาบริส่งเข้ามาเพราะความประสงค์ของยวนจะให้เป็นเ ก, ยกียรติยศแผ่นดินแก่ญวนฝ่ายเดียวอีกประการหนึ่งเมืองยวนก็เป็นเมืองน้อยกว่าเมืองจีน เมืองจีนเป็นเมืองใหญ่โตยังไม่ได้บังคับให้ไทยให้ใช้พระราชสานเป็นภาษาจีนโดยข้อความตามประสงค์ของผู้ปกครองฝ่ายจีนเลยสักครั้งเดียวนี่ยวนถือตัวโตกว่าจีนนะักคิดดูก็เหมือนยวนเป็นบ้ายาศักดิ์ักอษรฐานจึงโปรดกล่าวให้ล่ามเขียนสำเนาพระราชสารเป็นอักษรจีนว่าดังนี้เสียมเล่าดึกพัฒเวียง ถวายคำนับมายังสมเด็จพระเจ้าเวียดนามดึกว่างเดตามที่เป็นการชอบพระไทยในพระเจ้าเวียดนามเถิดแต่พระราชสารที่เป็นอักษรไทยคู่พระราชลัญจกร น, นั้นทรงพระกรุณาโปรโดกล้าให้กรมพระอารักษ์เขียนเป็นอักษรสยามมีเนื้อความเป็นสำนวนไทยตามเดิมที่เคยใช้ไปมาแต่ก่อนก่อนนั้นนำลงในกล่องงาช้างแล้วนำลงในถุงหักทองขวาง มีผู้ไหมทองผูกรัดปากถุงแต่สำเนาพระราชสารนั้นเขียนเป็นอักษรจีนภาษายวนให้เป็นที่ชอบพระไทยพระเจ้าเวียดนามด้วยบรรจุลงในกล่องไม้จันมีถุงกำรรมะหยี่แดงผู้ไหมแดงผูกรัดปากถุงรวมเป็นสองฉบับด้วยกันเชิญขึ้นตั้งบนพานทองคำสองชั้นแล้วตั้งบนบุสบกน้อยมีเครื่องสูงพร้อมสาหรับหนึ่งมีแห่ลงเรือใบทะเล ไปถวายพระเจ้าเวียดนามตามประเพณีราชทูตานุทูตไทยแต่งกายชุดนุ่งผ้ายกทองสังเวียนทองห้อยผ้าเจียตระบาดสอดสนับเพลาวสวมเสื้อเข้มขาบสวมหมวกทรงประภาสสวมเสื้อครุยชั้นนอกแล้วสวมสร้อยทองคํามีสร้อยอ่อนสร้อยมยมสร้อยดอกหมากและลูกประคำทองคําศีรษะสวมเทิดคือชดาทองคําท้ายเทิดสวมแหวนครบทั้งสิบนิ้วมือ และคาดรัฐประคตหนามขนุนคล้องแหวนนพเก้าเป็นเครื่องยศแต่งกายดังนี้ทุกคนถังราชทูตอุปทูตรตรีทูตที่ไปเมืองยวนนั้นว่าไว้ให้ทราบการแต่งกายอานามสยามยดภาคที่หนึ่งตอนที่สิบสองพระเจ้ากรุงยวนเปิดศึกทางราชสารกับกรุงเทพกำลังเข้มข้นไปทุกขณะ โปรดติดตามตอนต่อไป